สละทรัพย์เป็นการปล่อยวางขั้นต้นสละความพยาบาทเป็นการปล่อยวางขั้นกลางตั้งใจรักษาศีลตลอดชีวิตเป็นการปล่อยวางขั้นก้าวหน้าเจริญสติเพื่อพ้นอุปาทานเป็นการปล่อยวางขั้นสูงสุดส่วนการโช่ปล่อยวางเป็นกรรมที่ให้ผลคือปล่อยวางยาก ปล่อยวางรู้อย่างไรว่าปล่อยจริงหรือแกล้งปล่อย <_ ìn> การฝึกจิตแบบพุทธมีบันไดให้ปล่อยวางเป็นขั้นๆ้นรู้ว่าปล่อยจริงด้วยการใช้ใจเป็นเครื่องชี้วัดการสลดทรัพย์เป็นการปล่อยวางขั้นต้นถ้ามีความสุขในการให้ทานไม่มีใจผูกพันธุ์หวังประโยชน์จากการให้ทาน มีตวังให้ทานนั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นจิตคลายจากสภาพหวงไว้ว่านี่ของฉันไม่กลับไปเสียดายหรือรู้สึกผูกพันกับสิ่งนั้นอีกเลยอันนั้นถือว่าเป็นการปล่อยวางเต็มขั้นในระดับทรัพยทานการสละความพยาบาทเป็นการปล่อยวางขั้นกลาง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 การตั้งใจรักษาศีลตลอดชีวิตเป็นการปล่อยวางขั้นก้าวหน้าถ้ามีความสุขความเบาความโล่งอกที่พ้นจากการควบคุมของกิเลสที่คอยยั่วยุให้ทำบาปผิดและเมื่อสำนึกของตัวเองไม่มีความอาลัยในเหยื่อล่อที่ส่งแรงดึงดูดให้ก้าวข้ามเส้นศีลธรรมมีแต่จะหันหลังให้แบบไม่ใหญ่ดีอันนั้นถือเป็นการปล่อยวางเต็มขั้นในระดับศีล การเจริญสติเพื่อพ้นอุปาทานเป็นการปล่อยวางขั้นสูงสุดถ้าฝึกถูกมีทิฏฐานในการรู้เข้ามาในกายใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นส่วนย่อยและส่วนใหญ่ของกายใจแสดงความไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ตัวเดิมไม่เคยมีตัวใครจริงประทังเกิดสมาธิขั้นสูงเกิดความเป็นไฟล้างกิเลสตัดความสาคัญผิดว่า กายใจเป็นตัวตนได้ขาดสิ้นอันนั้นถือเป็นการปล่อยวางเต็มขั้นในระดับภาวนาการปล่อยวางนอกเหนือจากนั้นชนิดที่ไม่เด็ดขาดชนิดที่ย้อนกลับมากำเริบเป็นยึดมั่นถือมั่นได้อีกให้นับเป็นของเก้ไม่ใช่ของจริงทั้งสิ้นแต่การปล่อยวางเก้ๆก็มีประโยชน์เพราะช่วยให้เลิกทำผิดได้เป็นคราว กับทางเป็นบรนไดให้ปล่อยวางในระดับสูงได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนการโชว์ปล่อยวางคือจงใจแกล้งทำสีหน้าสีตาหรือกระทั่งมีทีท่าว่าทำใจได้เพื่อให้คนอื่นเห็นเพื่อให้คนอื่นชื่นชมอันนั้นไม่ใช่แม้แต่ปล่อยวางเก๋ๆแต่เป็นแค่การแสดงท่าปล่อยวางนอกจากไม่มีผลดียังมีผลเสีย เป็นกรรมที่ให้ผลคือปล่อยวางยากหรือปล่อยวางอะไรจริงไม่ได้เลย